Yeah. <laughs> บทสวดที่เราสาธยายมาสักครู่เป็นบทที่สำคัญมากนะเวลาใครมาถามเราว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรหรือวเวลาเราเกิดคำถามนี้ขึ้นมาในใจเนี่ยนะพระสูตรที่ชื่อว่าอนัตตลกนัสสูตรเนี่ยคือคำตอบว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรจริงๆมีอีกพระสูตรหนึ่งนะที่คู่กันก็คือพระสูตรที่พระองค์ตัดก่อนหน้านั้นนะ อ่าคือรรมจักกับประวัตนสูตรอ่ซึ่งเราก็คงจำได้ว่านี่คือปฐมเทศนาสองพระสูตรเนี่ยเป็นคำสอนอ่าที่กินใจความเรียกว่าหัวใจพุทธศาสนาอ่าอ่านพระสูตรทั้งสองหรือทำข่าวกระจายเนี่ยก็จะรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเวลาไปเมืองนอก ฝรังถามว่ารู้ไหมพระพุทธเจ้าสอนอะไรเพราะว่าเห็นเรามาจากเมืองพุทธเราก็ตอบได้นะพระสูตรแรกเนี่ยนะก็พูดเรื่องทางสายกลางแล้วก็ทางสุดตรงพูดถึงเรื่องอิสัต4พูดถึงเรื่องมัสมีองแปดตัดแล้วเนี่ยก็ทำให้มีพรริยเจ้าเกิดขึ้นเป็นองค์แรกนะก็คือพระัญญาโกลทัญญะ แต่ว่าก็ยังไม่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นะจนกระทั่งได้ฟังพระสูตรบทที่สองเนี่ยซึ่งมีความลึกซึ้งพอปัญจวคีฟังนะทุกท่านทั้งหมดก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นะทำให้มีพระอรหันต์เกิดขึ้นมาครั้งแรกในโลกแล้วก็นําไปสู่การบังเกิดขึ้นของพระอรหันต์อีกมากมายจนมาถึงปัจจุบัน อจจะเรียกว่าเป็นพระสูตรที่ปฏิวัติโลกก็ได้นะสองบทนี้คู่กันตอนที่พระัญญาคนธัญญาท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเนี่ยท่านก็เห็นเลยนะว่าอ๋อสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาอันนี้ก็จะว่าไปก็คือท่านเลิกก็เห็นแล้วนะว่าโอ้อธิจังทุกขัง สิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดานะสิ่งนั้นมีความดับเป็ น, เ ป, นเป็นธรรมดาก็คือไม่เที่ยงและความดับมันก็แสดงถึงความเสื่อมก็คือเป็นทุกข์และในตัวมันเองเนี่ยก็แสดงถึงความเป็นอนัตตาด้วยแต่ว่าไม่ชัดจนกะทงังพระพุทธเจ้ามาแสดงอ น, าตานัตตลัคนัตสูตรเราสวดมาสักครู่ถ้าเราใจไม่ลอยพิจารณาตามนะก็จะเห็นว่าระพุทธเจ้าเนี่ยอธิบายอย่างไรว่า ขันทั้ง5 ห, หรือจะเรียกว่าทำทั้งปวงก็ได้นะยกเว็นพนิพาดเนี่ยเป็นอนัตตาพระองอธิบายว่าเนี่ยถ้ามันเป็นอัตตาเราก็ต้องสั่งได้นะว่ารูปต้องเป็นอย่างนี้หรือบังคับบัญชาได้นะว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต้องเป็นอย่างนี้เช่นอยากจะให้รูปนี่สวย อยากจะให้รูปนี้คือกายนี้ไม่เจ็บไม่ป่วยอยากจะให้รูปนี้หนุ่มสาวเสมอถ้ามันเป็นอัตรานะเป็นของเราจริงเนี่ยเราต้องสั่งได้แต่ว่าก็อย่างที่เราได้อ่านนะว่ารูปเนี่ยมันก็มีความเสื่อมนะมันมีความเจ็บความป่วยเราไม่สามารถจะได้รูปตามใจหวังรวมทั้งเวทนาอยากจะให้มันสบายไม่ปวดไม่เมื่อย ก็ทาไม่ได้มันไม่อยู่ในอำนาจการบังคับบัญชาของเราได้ก็ในเมื่อรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือเรียกว่ารูปง่ายๆคือรูปประทัและนามธรรมัเนี่ยมันสั่งไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้มันจะเป็นอัตตาได้ยังไงมันก็ต้องเป็นอนัตตาสินี่ก็ท่อนที่หนึ่งนะเป็นการอธิบายว่าทำไมการทั้งห้าจึงเป็นอนัตตา สรุปง่ายๆคือว่ามันสั่งไม่ได้ควบคุมไม่ได้มันจึงไม่ใช่ของเราจริงแล้วตอนที่2ก็อธิบายในอีกแง่มุมนึงว่าทําไมขันทั้งห้าไปนัตตาก็เพราะมันไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงหมายคือว่ามันต้องเมื่อมันมีขึ้นแล้วก็ดับไปก็แสงมันเป็นทุกข์อะไรก็ตามที่แปรปรวนไปเนี่ยแสงมันเป็นทุกข์คือว่ามันมันพร่องมันไม่สมบูรณ์นะ ทุกในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเดือดเนื้อร้อนใจนะมันหมายถึงว่ามันเสื่อมมันมันแปลปวนมันมีความพร่องอยู่ในตัวไม่สมบูรณ์และในเมื่อมันเป็นทุกข์มันจะเป็นอัตตาได้ยอย่างไรก็ต้องเป็นอนัตตานะนี่ก็เป็นการอธิบายในความหมายที่2อนะอันนี้ก็คงเห็นว่าพูุทธเจ้าในพระองค์เนี่ยมีวิธีการอธิบายอธิบายหรือทภาษา สมยม่ Appro เขาเรียก approach approach นปัญหาก็ได้สองทางนะก็สรุปตรงกันว่าสิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตาได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะอันนี้ก็เป็นคำาิธีว่าทำไมถึงพูดว่าสิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตาอันนี้พผมก็อธิบายต่อไปว่าเมื่อรู้ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตาแล้วเนี่ยมันมีข้อดีอย่างไรนะ ก็ทำให้เบื่อนายนะในรูปวัฒนาสัญญาสังขารมิญญาเบื่อนายคลายกาหนัดเมื่อคลายกำหนัดคือปล่อยวางจิตก็หลุดพ้นนะเมื่อหลุดพ้นแล้วเนี่ยนะก็บรรลุธรรมนะอันนี้ก็เป็นการยืนยันว่าการบรรลุธรรมเนี่ยนะมันไม่ได้เกิดจากอะไรเลยนะเกิดจากการที่เข้าใจเรื่องอนัตตาหรือว่าพูดรวมรวมรคือเข้าใจเรื่องพไตรลักษณนะ์ถ้าไม่เข้าใจนะไม่เห็นแจ้งเนี่ย มันก็ไม่มีทางหลุดพ้นนะจะมอีอิทธิปฏิหารแค่ไหนนะจะบำเพ็ญฌานถึงขั้นฌาน8นะจะ ห, ออห่อเหินเดินอากาศได้นะจะเสกปตปูเข้าท้องใครก็ตามนะตราบใดที่ไม่เห็นแจ้งในพระไตรลักษณ์โดยพระอนัตตาเนี่ยก็ไม่มีทางหลุดพ้นได้นะ อันนี้ก็เป็นข้อเตือนใจเป็นข้อคิดสําหรับเรานะเวลาไปเจอใครที่อวดอ้างว่าเป็นพระรหันต์เนี่ยนะก็ต้องดูว่าเนี่ยเข้าใจเรื่องนี้หรือเปล่านะถ้าไม่เข้าใจเรื่องนี้นะถึงแม้จะมีอิทธิปฏิหารแค่ไหนเนี่ยก็อย่าไปเชื่อนะเพราะว่าอิทธิปฏิหารเนี่ยที่เขาเรียกอภิน ญ, ญาไม่ว่าจะเป็นตาทิพูทิพนะถ่ายใจคนได้ หรือว่าระลึกชาติได้เนี่ยยังถือว่าเป็นอภิญญาระดับโลกียะนะมันต้องตัดกิเลสขาดเพราะเห็นแจ้งในไตรลักษณ์นี่แหละชื่อเรียกว่าอาสวัคคยาญาณเนี่ยอภิญญ า, าตรงนี้แหละนะจึงจะเรียกว่าเป็นโล ก, กุตระอภิญญาอีกห้าข้อเนี่ยนะหูทิพตาทิพระลึกชาติได้หรือว่าทายใจคนได้หรือว่ามีอิทธิวิธีอิทธิปฏิหารพวกนี้นะ มันยังไม่ใช่เป็นเครื่องหมายหรือเครื่องแสดงว่าเป็นพระอรหันต์หรือแม้แต่พระริยเจ้าด้วยซ้ํานะีอันนี้ก็เป็นความรู้ที่เราควรจะรู้เอาไว้นะไม่จะได้ไม่ถูกหลอกง่ายๆเพราะเดี๋ยวนี้เชื่อง่ายเหลือเกินนะเห็นใครเสกมีฤทธิ์นะแสดงกลก็ไปเชื่อเขาเป็นพระอรหันต์แล้วนะบางทีเขาไม่ไดม้มีความสามารถจริงนะแค่แสดงกลนะ ก็หลงเชื่ออันนี้เนี่ยอย่างที่บอกไว้แล้วเนะีคือว่าหัวใจพุทธศาสนาเนี่ยคือการเข้าใจเรื่องไตรลักษณ์เรื่องอนัตตาตระหนักชัดว่ามันไม่มีเราไม่มีของเราไอตัวกูเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมานั่นของเรานั่นตัวตนของเรานั่นเป็นเราไอผู้นี้เนี่ยเป็นมายาภาพจริงๆมันไม่มีนะแต่ว่าถึงแม้เราจะ รับรู้เข้าใจด้วยการใช้เหตุใช้ผลใช้ความคิดไต่ตรองเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าเออเราเห็นชัดนะเราเห็นเราเห็นเราเข้าใจแล้วนะว่าขันธ์เป็นอนัตตาเนี่ยแต่นั่นยังเป็นการเข้าใจในระดับหัวสมองนะใจมันยังไม่ยอมรับหรอกใจมันยังยึดอยู่นะ ห, หัวสมองกับหัวใจบางทีมันก็ันไปคนละทางนะคนที่ หลายคนก็รู้นะว่าเล่าบุหรี่ไม่ดีเป็นโทษนะการพนันไม่ดีนะมีกิ๊กไม่ดีนะแต่ว่าใจมันก็ยังยังไม่ยอมรับใจมันก็ยังไม่เชื่อมันก็ยังพานะพาตัวเรานะเข้าไปหาเล่าเข้าไปหาใบายมุกไปหลงจมอยู่กับอไอความสุขทางการหรือว่าการประพฤติปฏิบัติที่ทําให้ชุดจิตใจเราย่ําแย่ หลายคนก็รู้ด้วยเหตุผลนะว่าโกรธไม่ดีแต่ก็ยังโกรธอยู่นั่นแหละนะอันนี้เพราะว่ามันใจมันยังไม่เห็นแจ้งยังไม่เห็นจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าเออไอตัวกูของกูไม่มีจริงนะแต่ว่าใจมันยังไม่ยอมรับใจมันยังดื้อด้านเพราะมันยังถูกข้อมความด้วยความหลงเราก็ต้องยอมรับความจริงเออเรายังไม่เห็นจริงตามนั้นนะ เรายังมีความยึดมั่นในตัวกูอยู่ก็ไม่เสียหายนะถ้าหากว่ า, าเรารู้แล้วเนี่ยนะว่าเราใจของเราเนี่ยมันยังอยู่ในระดับนี้นะเราก็พยายามที่จะปฏิบัติกับตัวเองในทางที่ถูกต้องเช่นรู้จักรักตัวเองนะในเมื่อมันยังมีตัวโูอยู่นะก็รู้จักรักตัวเองซะรักตัวเองในทางที่ถูก นะตอนเมื่อมันรู้ว่าไม่มีตัวกูเมื่อไหร่เนี่ไอความรักตัวเองมันก็ไม่มีความหมายแล้วแต่ตราดใดที่ยังมีตัวกูยังมีความยึดนินตัวกูอยู่ก็พยายามรักตัวเองให้มากแต่รักในทางที่ดีนะในทางที่ถูกในทางที่จริงแท้ก็คือว่าทำอะไรก็ตามอย่าไปเบียดเบียนตัวเองอย่าไปสร้างความทุกข์ให้กับตัวเอง ทุกคนก็รู้นะว่าเออไม่ควรทําแต่เอาข้องจิงก็ทําร้ายตัวเองบ่อยหาทุกมาใส่ตัวปล่อยใจให้จมอยู่ในความหลงไอ้การที่เราปล่อยให้ความโกรธเนี่ยเข้ามาครอบงําใจเนี่ยปล่อยให้ความเกลียดเข้ามาครอบงําใจปล่อยให้ความเศร้าวความโศกมาบงการจิตใจเนี่ยอันนั้นมันบ่งชี้ว่าเราไม่ได้รักตัวเอง เราเราตัวเองเราต้องพยายามที่จะปกป้องรักษาใจนะไม่ให้สิ่งเหล่านี้เข้ามาครอบงาใจเหมือนกันที่เราพยายามรักษาร่างกายของเราไม่ให้เชื้อโรคนะเข้ามานะทําให้เจ็บป่วยแต่ส่วนใหญ่แล้วก็เอาแต่ใส่ใจกับร่างกายนะพยายามหาของดีมาดูแลร่างกายแต่ว่า จิตใจเราไม่ค่อยดูแลเท่าไหร่นะปล่อยให้มันครอบงำปล่อยให้ความกลัวความหลงความโลภเนี่ยเข้ามาครอบงำจิตใจแล้วก็ปล่อยให้มันบงการจิตใจไปสู่ทางที่เสื่อมเรียกวอบายนะอบายมุกเนี่ยแปลว่าทางแห่งความเสื่อมนะซึ่งมันก็ไม่ใช่หมายถึงเล่าบุรีการพนันอย่างเดียวนะ ไอทางเสื่อมเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้จากการที่เราปล่อยให้กิเลสตัณหาความโลภความโกรธความเศร้าความรู้สึกผิดรวมทั้งความวิตกกังวลเนี่ยมันชักลากนะพาจิตใจของเราวิธีที่จะรักษาใจนะถ้าเรารักตัวเองเรารู้ว่าการรักตัวเองเนี่ยคือการรักษาใจนะไม่ใช่เป็นการตามตามทำ ต, ตามใจกิลเลสมันต่างกันนะ คนที่รักตัวเองเนี่ยเขาจะพยายามรักษาใจแต่ถ้าคนที่ปล่อยตัวไปตามอำนาจของกิเลสหรือตามใจกิเลสอันนี้ไม่เรียกว่ารักษาอันนี้ไม่เรียกว่ารักตัวเองนะอันนี้เรียกว่าทํากําลังทําร้ายตัวเองต้องแยกให้ดีคนส่วนใหญ่ไม่ได้รักตัวเองหรอกรักกิเลสมากกว่านะรักกิเลสมากกว่าพยายามห่วงพยายามรักษาทนุถนอมกิเลสเอาไว้ ไม่่าจะเป็นกิเลสที่เป็นโลภะเวลาเราติดเหล้าติดบุหรีนะติดการพา น, นันนะอันนี้คือกิเลสอย่างหนึ่งแล้วเราก็พยายามรักษาพยายามทนนุถนอมห่วงแหนมันนะมีเพื่อนมีพ่อแม่มาแนะนำว่าให้เลิกเหล้าเถิดให้เลิกบุหรีเถิดให้เลิกการพานันเถอะบอกกัว่าต่อต้านขัดขืน รักษามันหวงมันอยากจะทนุถนอมมันเอาไว้มันไม่ใช่แค่นั้นนะถึงแม้คนที่ห่างไกลจากเหล้าบุหรี่ยาเสพติดนะแต่ว่าความโกรธความเศร้านะความเครียดความวิตกความแค้นก็หวงแหนมันเอาไว้นะไม่ได้รักตัวเองหรอกรักอารมณ์เหล่านี้มากกว่าพยายามปกป้องมัน เวลาโกรธเนี่ยนะมีคนมาชวนมาแนะนำให้เราให้อภัยมาแนะนำให้เราแผ่เมตตาให้กับคนที่เขาทำให้เราโกรธแ้นะ่ส่วนใหญ่ก็ปฏิเสธนะส่วนใหญ่ก็ไม่ยอมทั้งทั้งที่น่าจะรู้หรืออาจจะรู้ได้ซ้ำว่าการที่ให้อภัยการที่แผ่เมตตาให้เขาเนี่ยมันทำให้ความโกรธทุเราเบาบางแต่เราไม่ยอมทำเพราะอะไรเพราะความโกรธมันสั่งเราว่าอย่าทาอย่าทา ความกวนไม่ต้องการคลองจิตคลองใจเร า, เาไวนะ้ถ้าเราทําเนี่ยนะความกลวนมันก็จะสูญเสียอํานาจครอบงำจิตใจมันยอมไม่ได้ไอ้ความเศร้าก็เหมือนกันนะเวลามันคลองใจเรานะมันก็สั่งเรานะว่าให้เศร้าไปเรื่อยๆนะเวลามีคนชวน พ, พาเราไปเที่ยวเราไม่ไปความความเศร้าบอกว่าอย่าไปอย่าไปเวลาเศร้าเนี่ยเราชอบฟังเพลงอะไรนะเพลงสนุกเขาเปล่า ชอฟังเพลงเศร้าใช่ไหมความเศร้ามันสั่งให้เราฟังเพลงแบบนี้แหละจะได้เศร้าไปเรื่อยๆมันจะได้มีอํานาจครองจิตของใจเราเวลาเราสึกผิดเนี่ยเกิดขึ้นในใจเนี่ยเราก็พยายามรักษามนาันเอาไว้ด้วยการนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตที่ทําให้เรารู้สึกเสียใจรู้สึกผิดแล้วเราก็มันจะได้มีอํานาจครอบงำจิตใจเราต่อไปอารมณ์พวกนี้เนี่ยนะมันเป็นทั่วกับ ชีวิตจิตใจเรานะแต่ทำไมเราหวงแหนมันเอาไว้ทำไมเราปกป้องมันนะแล้วอย่างนี้จะเรียกว่ารักตัวเองได้ยังไงนะเรารักอารมณ์พวกนี้มากกว่าที่จริงจะเรียกว่าเราเป็นธาตมันมากกว่านะเพราะมันสั่งให้เรานะปกป้องรักษามันแล้วก็พยายามที่จะปนเปรอือหรือว่าเพิ่มพูนให้มันมีอำนาจมากขึ้นเรื่อยๆ สุดท้ายพอมันสั่งเราให้ด่านะความโกรธมันสั่งเราให้ด่าเราก็ด่ามันสั่งให้เราจมถลำอยู่ในความเศร้าไปร เ, เรื่อยแล้วก็ทําแม้กระทั่งมันสั่งให้เรานะทําร้ายตัวเองนะเราก็ทนะําำ่าดตัวตายคิดสั้นหรือว่ากโกรธมากๆน้อยเนื้อต่าใจโอหัวโคกพื้นนะเพื่อที่จะให้คนอื่นยอม นะยอมตามอะไรยอมตามกิเลส ข, ของเราไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของเราเลยนะแต่เพื่ อ, อ ก, กิเลสหรือว่าอารมณ์อกุศลที่มันครอบงำใจนั่นต้องรักตัวใ ห, ให้ถูกนะตาใดที่ยังยังเข้าใจเรื่องอนัตตาไม่ได้นะยังมีความยึดในตัวกูก็ก็ไม่เป็นไรนะอย่างน้อยเนี่ยถ้าเรารักตัวเองในทางที่ถูกนะมันก็ยังพอที่จะทาให้มีโอกาสจะก้าวหน้า ไปสู่การเข้าใจเรื่องอนัตตาหรือว่าปล่อยวางเรื่องตัวกูของกูไปได้การรักตัวเองให้ถูกนี่มันไม่ใช่เรื่องยากนะแต่ว่าเป็นเพราะเราเนี่ยนะไม่รักษาใจปล่อยใจให้มันจมอยู่ในอารมณ์จะเรียกว่าเรา ลืมตัวก็ได้นะคนเราพอลืมตัวแล้วเนี่ยนะมันก็จะลืมใจนะพอลืมใจแล้วเนี่ยใจมันก็เข้าไปในความหลงนะพอหลงแล้วเนี่ยนะจะเป็นพ่อหลงด้วยอารมณ์ใดก็แล้วแตนะ่มันก็ยิ่งทำให้ทำลายตัวเองหนักขึ้นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เรารักตัวได้อย่างแท้จริงนะก็คือการเจริญสตินะเพราะว่า สติเนี่ยมันจะเป็นเครื่องช่วยรักษาใจอย่างที่บอกไว้แล้วว่าถ้าเราจะรักเราจะรักตัวเองเราต้องรู้จักรักษาใจของเราและสติเนี่ยนะมันเป็นปฏิปักษ์กับอารมณ์ต่างๆนะที่พูดถึงไม่ว่าจะเป็นความโกรธความเศร้าความวิตกกังวลนะถ้าเรามีสติเมื่อไหร่เนี่ยนะมันก็จะจางหายไป เพราะว่าอารมณ์เหล่านี้มันครอบงาใจได้เนื่องจากเราลืมตัวพอลืมตัวมก็เลยหลงเข้าไปในอารมณ์นะลืมก็หลงนี่มันของคู่กันนะลืมตัวเมื่อไหร่ก็หลงเข้าไปในอารมณ์หรลงเข้าไปในความคิดให้เข้าไปในความคิดเนี่ยนะมันก็ทําให้เกิดอารมณ์ได้เหมือนกันเช่นไปคิดถึงอดีตที่ผ่านไปแล้วมาไปนึกถึงงานที่ยังคาอยู่ ก็ทำให้เกิดความกังวลหรือไม่ก็ทำให้เกิดความโกรธแค้ น, นหลงเพราะลืมลืมในที่ไม่ได้ลืมของอะไรนะลืมตัวแต่คนนี้สติเนี่ยนะมันเป็นปฏิปักษ์กับไอสิ่งที่ว่าเพราะว่าสติมันทำให้เราเระลึกนึกขึ้นมาได้ สติโดยเฉพาะสมาสติทำให้เราไม่ลืมตัวทำให้เราเราลึกรู้นะพอเรารึกได้เนี่ยมันก็รู้สึกตัวขึ้นมาพอรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยอารมณ์พวกนี้มันก็จะหายไปนะมันเหมือนกับว่าความมืดเนี่ยพอมันโดนแสงสว่างสากสองเนี่ยมันก็หายไปเลยนะความรู้สึกตัวมันก็แสงสว่าง ซึ่งเป็นปฏิปักกับความมืดปุตตัดว่าเนี่ยบุคคลเมื่อมีความสึกตัวกุศลละกามสุลกุศลธรรมใดที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นเอากุศลธรรมใดที่เกิดแล้วก็ดับไปบุคคลเมื่อมีความสึกตัวความสึกตัวนั้นย่อเป็นไปเพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่นะเพื่อความตั้งมั่นความไม่เสื่อมสูญความแม่อันตรธานแห่งพระศัตรธรรมพระศัตธรรมเนี่ยคือ คุณธรรมภายในใจของเรารวมทั้งกุศลธรรมที่ทำให้ชีวิตจิตใจเจริญ ง, งอกงามด้วยนะงั้นถ้าเรารักตัวเองจริงนะมันต้องพยายามที่จะรักษาใจให้มีสตินะพยายามสร้างสติทำความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้นและการเจริญสตินะมันก็มีหลักง่ายๆนะก็คือว่า ตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นนะตัวอยู่ตรงนี้ใจก็อยู่ตรงนี้นะเมื่อใดก็ตามที่ตัวอยู่ตรงนี้แต่ใจไปอยู่ที่บ้านนะไปอยู่ที่ทำงานไปอยู่ที่โรงพยาบาลที่พ่อแม่รักษาอยู่เนี่ยอันนี้ก็เรียกไม่มีสติแล้วนะมันทำได้ง่ายๆเนี่ยไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ให้ใจอยู่ตรงนั้นแหละอันนี้ก็เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าก็คือว่าให้ใจมันมีบ้านนะ เอากายเนี่ยเป็นบ้านของใจใจก็จะได้พักและใจก็จะได้ไม่ไปท่องเที่ยวเตะเล่ร่อนที่ไห น, นหรือวิธีที่หรือพูดให้ง่ายกว่า น, นั้นคือว่าเวลาทำอะไรนะให้ทำทีละอย่างทำทีละอย่างนี่นี่เป็นวิธีการเจริญสติแบบง่ายๆเลยนะเป็นหลักง่ายๆมันมีคาพูดว่าเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคาทคำทีละอย่าง ถ้าเดินหลายก้าวพร้อมกันก็อาจจะสะดุดนะจะกินข้าวหลายคำพร้อมกันก็จะติดคออาจถึงตายได้แต่ถ้าทําหลายอย่างพร้อมกันนะก็ทําให้เกิดความทุกข์ความเครียดบั่นทอนจิตใจจริงๆแล้วอย่าพูดกับคนที่รักตัวเองนะต้องรู้จักทําอะไรทีละอย่างหลายคนเวลาทํางานนะใจก็ไม่ได้อยู่กับงานเต็มร้อย บางทีก็นึกถึงลูกนะทํางานใจก็นึกถึงลูกเครียดกังวลพอกลับบ้านอยู่กับลูกใจก็ไปนึกถึงงานนะแทนที่จะอยู่กับลูกด้วยใจเต็มร้อยนะสังเกตมไหมเวลาเราทํางานเนี่ยนะมันทําหลายอย่างพร้อมกันขณที่เราทํางานใจก็ไปนึกถึงอีกงานหนึ่งนะขณที่เราอ่านหนังสือนะใจมันก็ไปห่วงงานที่ยังคาอยู่ เวลาเรากินข้าวแทนที่เราจะกินข้าวอยู่กับการกินข้าวด้วยใจเต็มร้อยเราก็ใจก็ไปนึกถึงงานนะไอความเครียดความวิตกกังวลเนี่ยลองกลับมาดูใจของเรานะลองสังเกตดูมันเป็นเพราะว่าเราไม่ค่อยทำอะไรทีละอย่างเท่าไหรนะ่ทำงานเช้าเนี่ยใจทำงานเชา้าอีกใจหนึ่งก็ไปนึกถึงงานตอนบ่ายโอย้ยังทำไม่เสร็จเลย มันก็เครียดเสียเกิดความวิตกกังวลนะแม้แต่เวลาเจริญสติเนี่ยนะสังเกตไหมยกมือไปนี่แทนที่จะใจก็อยู่นกึกกระตัวใจมันก็ไปคิดถึงเรื่องงานนะไอการทำทีละอย่างเนี่ยนะมันเป็นหลัก ง, ง่ายที่ช่วยทำให้เรามีสติดีขึ้นแต่ว่าเราไม่สามารถจะทำทีละอย่างได้เลยนะมันนักจะทำหลายอย่างพร้อมกัน เวลาเดินจงกรมสร้างจังหวะใจก็ไปคิดเรื่องโน้เรื่องนี้หรือแม้แต่ฟังคำบรรยายอยู่เนี่ยนะบางคนก็ฟังไปด้วยนึกอะไรไปด้วยนะบางคนขณะที่นั่งอยู่ในศาลานี้เดินสร้างจังหวะยกมือสร้างจังหวะยกไปด้วยฟังไปด้วยอันนี้ก็ไม่ถูกนะยกมือสร้างจังหวะก็ให้มีสติอยู่การสร้างจังหวะไม่ใช่ฟังไปด้วย แล้วก็รู้สึกตัวไปด้วยอันนี้มันไม่ถูกทำทีละอย่างก็คือถ้ายกมือก็ให้มีความรู้สึกตัวการยกมืออย่าไปต้องอย่าไปสนใจคำพูดคำบรรยายให้ฟังผ่านๆถ้าจะฟังนะก็ตั้งใจฟังแล้วก็ไม่ต้องยกมือนะนันเนี่ยเราเลือกได้ว่าเราจะทำอะไรนะแต่ถ้าทำสองอย่างพร้อมกันนะยกมือไปด้วยรู้สึกตัวไปด้วยรู้สึกการเคลื่อนไหวไปด้วยแล้วก็ฟังไปด้วยเนี่ย มันไม่ถูกแลนะ้อันนี้สำคัญมากสาหรับผู้ปฏิบัติใหม่เนี่ยทำทีละอย่างนะเวลาอยู่กับเวลาอยู่กับพ่อแม่ดูแลพ่อแม่ใจก็อยู่กับพ่อแม่เต็มร้อยเวลาไปพักก็วางพ่อแม่ลงนะพักเต็มที่แต่หลายคนเนี่ยรู้สึกผิดนะถ้าเกิดว่าเวลาพักเวลานอนเนี่ย จใจจะไม่นึกถึงพ่อแม่ใจก็นึกถึงพ่อแม่นะจะดูแลพ่อแม่ว่ารุ่งขึ้นทํำยังไงอันนี้เราทํา2อย่างเวลาเดียวกันแต่ในทําตรงข้ามถ้าเกิดว่าเออเวลาเราพักนะเราก็วางเรื่องพ่อเรื่องแม่เรื่องการดูแลท่านไว้ก่อนนะทำอย่างเดียวคือพักพักเต็มที่ตื่นขึ้นมาล้างหน้าใจก็อยู่กับการล้างหน้าทําอย่างเดียวนะอย่าเพิ่งไปคิดว่าเออเดี๋ยวเราต้อง จะต้องทำครัวนะจะทำรายการอาหารอะไรให้กับลูกนะบางคนเนี่ยขณะที่ล้างหน้าใจก็นึกถึงงานนะวางแผนงานแล้วมันเคยมีความคิดนะที่แพร่หลายในหมู่คนทำงานเนี่ยก็คือทำหลายอย่างพร้อมกันนะภาษาฝรั่งเรียกว่า multitasking นะก็เคยเป็นข่้นนิยมเป็นแฟชั่นนะเพราะว่าเป็นการ ใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพนะเชื่อแบบนั้นทำหลายอย่างพร้อมกันแต่สุดท้ายนะปรากว่าทำได้ไม่ดีสักอย่างนะแล้วก็มันเป็นการบั่นทอนจิตใจด้วยเพราะาใจเนี่ยมันแตกเป็นเสียงๆ เ, เลยเพราะว่าไม่รู้จะจดจ่ออยู่กับอะไรการมีสติเนี่ยใจมันต้องเต็มร้อยแต่ถ้าเราทำสามอย่างพร้อมกันเนี่ยใจมันก็จะอยู่กับอย่างละอย่างแค่สามสบสาม นะหรือว่าบางทีส0 5สบหแล้วก็สิบหรือยี่สแล้วก็เครียดนะงานก็ไม่ดีทำงานก็คนทําก็ไม่มีความสุขนะเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าเนี่ยเออเขาเริ่มกลับมายอมรับแล้วว่าทำทีละอย่างดีที่สุดนะหลังจากใช้เวลาวิจัยมาอยู่นานนะอันนี้เขาเริ่มการเริ่มยอมรับในในหมู่ภาคธุรกิว่าทำทีละอย่างดีที่สุดแล้ว แต่ว่าทำทีอย่างที่ตะมาพูดเนี่ยมันมีความหมายมากกว่านั้นนะมันหมายความว่าเวลาเราทําอะไรเนี่ยใจเราก็อยู่กับสิ่งที่เราทำด้วยด้วยความรู้สึกที่เต็มร้อยนะเวลาทํางานนะก็ใจอยู่กับงานจะเพิ่งไปนึกถึงรูปไม่ต้องจะเพิ่งไปนึกถึงพ่อแม่จะเพิ่งไปนึกถึงการวางแผนโอเคถ้าจะวางแผนเมื่อไหร่ก็ให้วางทุกอย่างแล้วก็นั่งคิดนะวางแผน โดยาผู้ปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยนะที่สนใจเรื่องการเจริญสติเนี่ยนี่เป็นการสร้างนิสัยที่สำคัญมากนะทำทีลรอย่างนะแล้วเราลองสังเกตนะมันจะไม่ยอมทําทีลรอย่างหรอกนะเวลาจะนอนมันก็นึกถึงงานนะเวลากินข้าวก็นึกถึงลูกนะเวลาไปเที่ยวต่างประเทศหรือไปเที่ยวภูเขาไปเที่ยวธรรมชาตินะใจมันก็ไปนึก นะถึงเรื่องการวางแผนวันรุ่งขึ้นว่าพรุ่งนี้จะไปไหนจะทำอะไรนะบางคนก็นึกขุนเคืองใจนะไปเที่ยวทัชมาฮาลแต่ว่าใจมันก็นึกขุนเคืองที่โดนแขกหลอกนะแลกเงินนะ1ดอลลาร์เนี่ยปกกว่าแขกนับไปหายไป50ลูปีหรือว่าบางทีไปซื้อของ 100ยรูปีเราก็ซื้อมาต่อแล้วเนี่ยห้รูปีโอ้เราดีใจพอเปอก์ร้านหนึ่งไม่ทันต่อเลยเขาลดละห้าสิรูปีถ้าต่อยหน่อยก็ได้30หรือ20โมโหไปเที่ยวทัชมาฮาลนะแต่ว่าเสียดายเงินถูกหลอกนะอันนี้ก็ทํา2อย่างนะแทนที่จะเที่ยวนะก็มานั่งคิดเสียดายเงินวางนะวางไอ้สิ่งที่มันผ่านไปแล้ว เวลาจะเที่ยวที่ไหนก็ใจก็อยู่กับสิ่งนั้นเต็มร้อยเวลาอยู่ที่ไหนเนี่ยนะใจอยู่กับสิ่งนั้นเต็มร้อเนี่ยนี่ก็เรียกว่าทําทีละอย่างแล้วลองสังเกตนะส่วนใหญ่เราเนี่ยไม่ค่ยได้ทําทีละอย่างทํากหลายอย่างพร้อมกันและนั่นเป็นวิธีที่ทําให้จิตใจมีความวิตกกังวลมีความเศร้ามีความอาลัยเวลาเรามีความเศร้าอาลัยนะวิตกกังวลลองสังเกตดูเถอะไม่ใช่เพราะเราทําทีละอย่างเราทํำหลายอย่างพร้อมกัน นะนั่งฟังคำบรรยายแต่ใจไปแล้วนะนะลองฝึกนิสัยใหม่นะทำทีละอย่างนะแล้วเราจะพบว่าชีวิตเราเนี่ยนะมันจะง่ายขึ้นความทุกข์มันจะลดลงอ่าเราข้าน้วเผืเท่านี้นะกาพะ